ธรรมก็ม่มีอะไรอื่นเก่ยวกัของเก่ากนรพดกคนเก่ากนฟังกคนเก่าวิเี่ก็ตัวเก่าหลงก็หลงของเก่ารู้กรู้องเก่านีของใหม่มาจากที่ไหนบนผหาบนผัหาธรรมะ ต้องพึ่ิงอิงอาศัยสติปัญญาของตัวจะใ่ให้พาดให้ผิด <c oughs> <c oughs> ในการแสวงหาไม่อย่างนั้นก็เสียเวลาในสาวว่าที่ไหนเป็นอย่างไรอะไรเป็นอะไรกันเลยไม่ขาใจคิดไม่ได้จับไม่ถูกมันกไ็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรให้แต่นั้นตาเรามีก่อยดูหูเรามีก่อ้ฟังใจของเราเรามีก่อยคิด อะไรผิดถูกดีชั่วเรามีผิดที่จะเลือกเอาได้ไม่ใช่ว่าฉันบังคับบัญชาให้ไปวัดนั้นวัดนี้หะคิวให้จารย์องนั้นองนี้เราเลือกเอาเองด้วยสติด้วยปัญญาของเรา่ะปัญญาของเราไม่มีมีตากว่าสักต่ว่าตาเท่านั้นมีหูกว่าสักจะว่าหูเท่านั้นมีใจกว่าสักจะว่าใจเท่านั้นไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรให้ นี่คือคนไม่มีปัญญาทางใจคนมีปัญญาทางใจเท่านั้นแะ่ะจะหาการท้ า, าทไดา้ทรับสมบัติทางโลกก็ได้คนมีปัญญาไปสถานที่ใดเกิดผลเกิดประโยชน์คนไม่มีปัญญาไปสถานที่ใดก็เลยไม่ได้รับผลรับประโยชน์ให้ ดังนั้นปัญญาจริงเป็นเรื่องสำคัญมันใถ่คิดที่นี้ที่เจอเลยนะปัญญาจะเกิดขึ้นได้ตามหลักของศาสนามีอยู่สามทางปัญญาขั้นต้นขั้นชือว่าสุดตามายาปัญญาคือปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเราศึกษาเราเรียนเราได้ยินได้ฟังรู้ตาหลับตำลามาม่า เกิดปัญญาได้แต่ปัญญาภายนอกปัญญาของโลกพอที่จะทำมาหาจินได้พอที่จะรักษาตัวได้ตามฐานะของปัญญาที่มีอยู่จิตตามายาปัญญาเป็นสันที่สองให้นึกคิดติีตอนเรื่องต่างๆที่เราเห็น้ดยตาได้ ย, ยินโดยหูนามาคิดพิจารณาดูอะไรผิดถูกชั่ว ด, ดี จะไดเว้นจะได้บําเพ็ญในสิ่งหนนั้ น, นเรียกว่าจินตามายาปัญญาคือปัญญากวนคิดพิ่เจรณาจากการได้เห็นได้ยินของตัวภาวนามายปัญญาเป็นปัญญาขั้นสุดยอดเป็นปัญญาขั้นสูงคือการอบรมจิตใจของตัวให้เข่าถึงอาจถึงธรรมถึงสมาธิถึงปัญญาถึงวิชาริมุติ <c oughs> นี่เช็น ภาวนาไมยปัญญาจะทิ้งยางไว้ก็ดีจะขันตามขันกลางหรือขันสูงสุดก็ดีมันก็เนื่องอยู่กับเราไอ้ใจคนอื่นเขาจะหยิบยกมาให้ตาเรามีหูเรามีใจเรามีให้พิจารณาดูให้ทีถ้วนรอบคอบเมื่อเราพิจารณาทีถ้วนรอบคอบทุกอย่างแล้วจึงทําจึงพูดในสิ่งนั้นนั้นมันไม่ค่อย หากคิชทไรถ้าหากไม่คดิดที่เจอนาทำไปสุม่มสี่ซุ่มห้าอาจผิดชาดได้ได้แล้วก็เสียใจภายหลังแต่นั้นการ <c oughs> ที่เรามาบาเพ็ญบุญกุศลก็ํำนองเดียวกันวัดวาศาสานาครูบาอาจารย์เต็มบ้านเต็มเมืองในประเทศไทยเลือกหาสถานที่เหมาะดี พอสมควรที่จะเป็นเนื้อนาบุญทองตนจริงแต่ทาในสถานที่ น, นั้นั้นไม่อย่างนั้นจะสิดหวังคือทามากได้บุญน้อยในคุ้มค่าที่เราเสียสละแะต่ทาบาเพ็ญไปมีไม้เชื่ผู้ที่หาบุญ ห, า, า, า, ห า, ากุศลส่วนผู้ที่หารู้หาอาจารย์หามักหาผล ก็ต้องมีปัญญาเลือกคัดจักหาชูอาจารย์ว่าองค์ใดสถานที่ใดจะเป็นที่อบรมจิตใจของเราให้รู้ให้เข้าใจในมากในผลได้เราก็ต้องเลือกคัดจักหาเหมือนกันไม่ใช่ว่าพระแล้วจะเสมอกันหมด <c oughs> จะเหมือนกันหมด <c oughs> ถ้าเป็นท้าจริงก็เสมอกัน แต่มันไม่ใส่ผ้าจริงคือผ้าสมมุติส่ง์มันไม่ใส่พราโซดากิจีาตาอนาคารหารันมันเป็นพระที่แนนอนตายตัวผ้าสี่องค์นั้นท่านอยู่สถานที่ด àng ใดห่างไกลกันอยู่คนละมุมโลกคิดทิความรู้ความเห็นของท่านเหมือนกันเมื่อมาประสบพบกันเข้าเข้ากันได้เป็นแบบอันเดียวกันทิมอันเดียวกันนี่พระสมมุติสงสมัยนี้ มันมเป็นอย่างนั้นบางขันบางองค์ก็เป็นไปอย่างหนึ่งบางขันบางองค์ก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นตามีหูมีใจมีให้คิดดูให้ชี้ทวนจะไม่เสียเวลาไปศึกษาจะได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องถ้ <c oughs> าไม่อย่างนั้นมันก็เขวเขวทางไปไม่ถูกทางให้แล้วก็เสียใจ้ายหลังถ้าเราพบเห็น ครูบาอาจารย์ส่กันดีเด่นท่านแนะอนอัจทำถูกต้องเราก็คงจะไม่เสียในลำเวลาอย่างนี้เราจะมีโอกาสต่อพื้ปฏิบัติไปได้สูงกว่านี้ก็อาจจะคิดตำหนิตัวเมื่อภายหลังนี่คือการไม่คิดก่อนไม่พิจารณาก่อนแต่นั้นเรื่องธรรมะที่จะให้ธรรมะต้องมีธรรมะในตัว ไม่ใช่เอาตามแบบตามตำรามาให้กันตามแบบตามตำราเราศึกษาเราเรียนมาเราเพอจับมาอ่านได้เรื่องของศีลก็ดีเรื่องของสมาธิก็ดีเรื่องปัจติของปัญญาวิชาวิมุตติก็ดีมันมีอยู่ในตำรับตำราทั้งหมดแต่ตำรานั้นท่านพูดส่วนรวมไม่ได้พูดเฉพาะเจาะจงคนหนึ่งคนใดแต่การประพฤติปฏิบัติ เกิดเป็นเห็นขึ้นจากกิตจากใจมันไม่เท้ากับตำราทุกสิ่งทุกอย่างไปเหตุ น, นั้นมันจึงไม่พาใจผู้ที่ศึกษาตามตำรามาจึงไม่มีทางจิตที่จะแก้ทิกฐิมานะของผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตกไปได้ส้องอาศัยผู้ประพฤพติปฏิบัติต่วยกันมาเคยเห็นเคยเป็นในสิ่งตาง่างๆทางปฏิบัติเมื่อเราเห็นเราเป็นอย่างไรเข้าไปศึกษาท่านก็มี ทางที่จะแนะนําสั่งสอนให้ก็ต้องพิจารณาไปอย่างนั้นต้องทาไปอย่างนั้นจากนั้นจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นบางทีท่านก่อนแนะนําไปก่อนสอนเราไปก่อนเมื่อเราทําไปใจของเราเห็นใจของเรารู้พวกเขาลดเรื่อมใสในครูในอาจารย์เพราะท่านเห็นท่านเป็นจริงท่านจึงนํามาสอนเราได้เมื่อเราฝึกเราปฏิบัติเราเห็นเราเป็นอย่างนั้นจริง อย่างที่ทาารบอกสอนเราก็เคารพเรื่อมใสยินดีเต็มใจในครูในอาจารย์แต่บางท่านบางองค์ <c oughs> ยืมตำรับตำลามาแนะมาสอนพอลูกสิตธ์สลพดปฏิบัติเกิดเป็นเห็นรู้ในจิตในใจไปศึกษาไม่มีอะไรที่จะสอนให้เพราะใจของท่านไม่เป็นเอาแต่แบบตำรับตำลามาต่างแล้วก็ว่ากันไป ผู้ไปศึกษาก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรนอกจากจะจะมีอาจารย์่าไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้แต่เห็นเป็นรู้ท่านไม่คงไม่พูดจุดจุดที่เราถามเราเป็นเราเห็นในใจเราก็พอคำนึงคำนวนได้ว่าอาจารย์องนั้นเป็นอย่างนั้นองนี้เป็นอย่างนี้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติทางใจ มันเชื่อเข้าถึงภายในจริงจริงกางๆเชื่อครูเชื่ออาจารย์เพราะท่ันเป็นทันเห็นทันรู้จริงเราจรึงเคารพเราจรึงเหลื่อมใสเต็มใจประพฤติปฏิบัติมอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ไม่ใช่ถือซึมสีซึมห้าถือดุจความเห็นความเป็นของใจท่านพอที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ได้ พอศิษย์จะแนะสอนบอกทางให้ถูกนี่คือการสแสวงหาครูหาอาจารย์ทางด่านภาวนาหายากยิ่งกว่าเพชรตะพย <c oughs> ในทองตลาดถึงเป็นของมีค่าราคาสูงแต่เรามีเงินมีทองไปซื้อที่ไหนก็มีคนขายให้แต่ครูอาจารย์ที่ท่านมีอาจมีทำทางใจนั้นท่านไม่ได้ออกร้านขายแล้วก็ไม่ยากประจักษ์ ว่าทันดีวิเศษอย่างไรทันอยู่แบบถุกแบบสบายของท่านคนที่อยากประกาศว่าเราดีเราเด่นเรารู้เราเห็นเรื่องต่างๆนา้นนอยากจะห้เขานับหน้าถือตาว่าเราเก่งเราเด่นนั้นไม่ใช่ภูมิอัจมีธรรมในใจถ้าภูมิอัตมีธรรมในใจ ไม่เป็นอย่างนั้นไม่จาเป็นจริงจังท่านจะไม่พูดเรื่องธรรมะภายในจะพูดไปทำนองเดียวกันกับคนอื่นๆเขาเมื่อเราเปลนเราเห็นภายในไปศึกษาท่านจรงคคอยจะบอกจะแนะนำให้เพราะสมควรแล้วคนนี้ที่จะเปิดโอกาสบอกสอนได้ท่านเข้าใจบุคคลอย่างนั้น ไ้สอนไปซึง4ี่ตุมห้าเราผู้ศึกษาจึงมองดูยากเพราะพัะที่เป็นอยู่ภายในนั้นมันไม่เหมือนร่างกายภายนอกกายภายนอกเราก็พอมองเห็นได้ได้องนั้นว่าสูงองนี้ว่าต่ำองนั้นว่าดำว่าขาวเราพอมองเห็นได้คนนั้นหนุ่มคนนี้แก่พอมองดูได้เพราะตาเราเห็น แต่ความเป็นภายในจิตใจของท่านนั้นเรามองไม่เห็นว่าใจของท่านเป็นอย่างไรแต่ <c oughs> งบเย็นหรือไม่ผ่องใสหรือมือดดำอย่างไรเรามองไม่เห็นมันจึงหา ย, ยาสนันญาฐานยากแต่ก่อไม่เหลือวิสัยคนที่มีหูมีตามีใจที่จะพิจรารณาถึงจะจิตบังไว้ขนาดไหนด้วยอำนาจ ของสติปัญญาหรืออำนาจของหูตาคนแสวงหายอมเห็นแต่นั้นเราจะเป็นคนโง่คนฉลาดก็ให้ทีนี้พิจารณาเอาว่าเราเข้าถูกจุดหรือไม่การเหลื่อมสสศรัทธาทำบุญสุนทานก็ดีการเสาหาสูหาอาจารย์ก็ดีถ้าหากไม่ถูกจุดผิดพลาดไปจะเสียใจภายหลัง ให้จิตอ่านให้ทั่วถึงเสี้ยก่อนถ้าให้แน่ใจให้หาใหม่จนพบจนเห็นว่าองค์นี้แหละเราเชื่อเราเรื่อมใสเราเต็มใจท่านสอนอะไรเราคิดทิความเห็นของเรายอมเชื่อยอมทำตามจะไม่ผิดหวังอยู่วันสองวันกวจะได้ผลได้ประโยชน์จากท่านเพราะความเชื่อ ในจิตในใจของเราและท่านองนั้นในความเชื่อของเรากดถือว่าท่านเป็นผู้ดีมีความรู้มีอัดมีธรรมแต่เราเชื่อลงไปเหลื่อมใสในตัวของท่านทําอะไรลงไปเราก็เต็มใจทามีความสุขความสบายในการทาของเราทิจณาอะไรทิ่สัน้อนให้เราก็จับไป กำหนดพี่จรนาตามแล้วก็จะเข้าใจในสิ่งที่ท่านสอนถ้าหาไปลงกันอย่างนั้นสอนกันมันก็ไม่เชื่อฟังกันแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ทั้งผู้สอนทั้งผู้เป็นศิษย์ทีนี้พี่จรนาเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งซึ่งพวกเราผู้สแสวงหาคูห า, หาอาจารย์หา บุญหากูศสนเจตองคิดคนที่นี้พิจารณาเพราะวันเวลาเป็นเงินเป็นทองเป็นของมีค่าแต่ใช่ว่าทานไปแล้วไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรถ้าอย่างนั้นชีวิตของเราก็เป็นหมันเกิดมาไม่มีสาระอะไรถึงวันตายก็ตายไปโดยไม่ได้คุณค่าจากการเกิดท้องตนผู้ เกิดมาเป็นมนุษย์เหลื่อมใสในพุทธศาสนาจะต้องมีสติปัญญาไขควรที่จะได้นาเหตุผลต่างๆเพราะพุทธศาสนาสอนให้รู้ ส, สอนให้คนหลงรู้อะไรรู้ดีชั่วผิดทูกรู้กายรู้ใจของตัวว่ามันดีอย่างไรมันชั่วอย่างไร จะแจก้ไขโดยวิธีใดใจจึงจะดีดิเสรให้จะต้องรู้ต้องเข้าใจมาอย่างนั้นไม่มีทางปฏิบัติการปฏิบัติใจ <c oughs> เป็นเรื่องสำคัญเพราะใจเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเรื่องของกายใจนั้นหากประพฤติปฏิบัติถูกต้อง ได้รับอาจรับทำจริงจังแล้วอย่าไปคิดว่าใจนั้นมันจะโง่อยู่ตลอดการมันจะฉลาดขึ้นเกียบแหลมขึ้นและอย่าคิดว่าใจนั้นมันจะเดือดร้อนวุ่นวายตลอดการมันมีเวลาที่จะสงบมีเวลาที่จะละปล่อยถอดถอนชีคีมานะกิเลสตัณหาให้ตกออกไปได้ใจจึงเป็นเรื่องสําคัญ ใจเย็นเท่านั้นใจสบายเท่านั้นมันสุขยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่สถานที่ใดก็มีความสุขมากหากใจของเราสงบใจของเราเป็นสุขแต่ตองกันข้ามใจเป็นทุกจะมีอยากมีกินมีนู่มีหม่มมีอยู่มีอาศัยมากขนาดไหนมันก็วุ่นวายเดือดร้อน ไม่สุขไม่สบายให้เพราะใจมันเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรใจทุกข์เพราะความอยากคือความโลภความโกรธความหลงข้องใจถ้าใจยังมีสิ่งเหล่านี้ถึงจะมั่งมีเข้าของเงินทองขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขให้ทาละสิ่งเหล่านี้ตกไปจากจิตจากใจถึงจะไม่มีอะไร อยู่ในดินอยู่ในหญ้าก็มีความสุขความสบายเพราะใจมันสบายใจมันเย็นในการละการบําเพ็ญเรื่องของอดของทำดัะนั้นใจจึงเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราท่านทุกคนในควรมองข้ามจะต้องติดตามที่นิพพย์ใจนะรักษาเรื่องใจของตัวการรักษาใจท่านถือว่าเป็น อินทรีสังวรคือสังรวมไว้ปิดช่องทางต่างๆที่เคยนึกคิดปิดข้อให้รวมเข้ามาสู่จุดเดียวคือสิ่งที่ตัวมุ่งหวังจะกำหนดจะพิจารณาอยู่นั้นกำลังใจจะแรงกล้าขึ้นแล้วจะเห็นจะเข้าใจชัดเจนในสิ่งที่ตนสองการ พะจิตใจธรรมดาของบุคคลปล่อยปล่าละเลยมาตั้งแต่วันเกิดจีพบจีชาติมาแล้วนับไม่ถ้วนมันเคยปล่อยเรื่อยๆมาอะไรเกิดขึ้นมาก็สวยเอาสวยเอาในสาวาอันนั้นมันผิดถูกดีชั่วอย่างไรใจจึงสกรปรกโสมมเรื่อยมามีทีเลตัญหาทับถมหนาเนี่ยเพราะอะีรที่นี้พิจารณาไปสัมรทธเรื่องใจ เมื่อใจชั่วใจเสียมากเท่าไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นมากเท่าน oria, land, so ั in building, in ้นเพราะสิงไม่จำเป็นก็ถือว่าจำเป็นสิ่งที่เนนก็ถือว่าหอมสิ่งที่ไม่ดีก็ถือว่าดีสิ่งที่เย็นก็ถือว่าร้อนเพราะมันไม่ใสใจตามความจริงของมันเรื่องับถมจิตใจจึงควรจะปัดออก ไม่นควรที่จะให้มันติดคุ้มหุ่มห่อจนเลยมองเห็นตามจริงของมันในพวกเราท่านทุกคนถ้าหากจะพูดถึงธรรของพระพุทธเจ้าอุทมีจิตสูงจิตเด่นรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วพวกเรามันก็บ้ากันทั่วหน้าเพราะสิ่งที่ท่านว่าไม่เที่ยงเราถือว่าเที่ยงสิ่งที่ท่านถือว่าศกปิโสิทโ ม, ม ประจีกูนเราถือว่าสะอาดสะอานสวยงามสิ่งที่เหตุเขาเราร้อนเราถือว่าเย็นมันเป็นกันอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าทอดทิ้งว่ามันผิดมันไม่ดีให้ทุกข์ให้โทษแต่พวกเราเราก็พยายามวิ่งวุ่นแสวงหาอยากได้มาว่ามันเป็นของดีของมีค่าของดีเสร็จนี่จึงว่าพวกเราบ้า หาจะเจียบจิตธรรมดาของคนทั่วไปกับจิตของพระพุทธเจ้าอะไรที่ท่านถอดสิ่งเขากลวเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ท่านถอดสิ่งท่านผืวว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสิโมคลนไม่เป็นของดีวิเศษท่านสแสวงหาอะไรสแสวงหาธรรม ที่เหนือไปจากโลกท่านเลยแสวงหาสื่อเสียงของท่านในทางโลกทางสงสารแต่พวกเราก็ไปหยิบไปยกไปแย่งไปียงกันป่นจี ก, กันในสิ่งที่ท่านทิ้งท่านละท่านปล่อยท่านวางไปแต่พูดแล้วก็เหมือนกันกับน้ำลายเขาถมทิ้งออกไปเราถือว่าของหยิบท้อง ด, องดีแย่งกัน จีกันอยากได้นี่พระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าสุด ข, ข้ามไปจากยเทธตันหาก็เหมือนกับคนธรรมดาที่ถมน้ำลายออกไปแต่สัตว์บางประเภทมันชอบมันยินดีนำมาเป็นอาหารของมันหรืออย่างจีงกันทำนองนั้นจิตใจของท่านไม่เกี่ยวก่อพวกพัน กรูเสียงกิ่นรถสัมผัสราบยศสรรเสริญสุขท่านตัดออกไปจากจิตจากใจท้องท่านด้วยการที่นิจเจนาด้วยการละการวางต่างๆพวกเราแย่งกันชพียงกันทางโสอี้กันพอถือว่าสิ่ง น, นั้นมันดีมันดีเศษยากได้้ดยเกิดเบียดเบียนกัน เลือดร้อนวุ่นวายเที่ยวโลกนี่คนไม่มีอาจมีทรรมคนไม่ประพฤติใจให้สงบสุขเป็นอย่างนั้นแต่คนประพฤติปฏิบัติทางจิตทางใจจริงจังท่านไ ม, ม่ถืออย่างนั้นลาบยศสรรเสริญสุขเสริยมลาบเสริมยศนินทาทุกมันเป็นโลกกธรทำคนเกิดมาจะ ต, ต้องมีเป็นธรรมดา เรื่องเหล่านี้จะอยู่ในสถานที่ใดก็มีคนสารเสวนคนยินทามันมีอยู่เป็นธรรมดาในโลกแต่ น, นั้นทศพุทธเ จ, จ้าจึงสัตว์เอาไว้ว่านัทพีโรเกออนันทิโตคนไม่ถูกยินทาไม่มีในโลกมันเป็นความจริงของท่านคนที่ไม่ถูกสาะเสวนก็ไม่มีในโลกอีกเหมือนกันถึงเขาจะชั่วเสียขนาดไหน พักพวกเพื่อนฝูงที่ชอบใจเท่ากับฉันและเสริญแต่นั้นจึงเอาความจริงแน่นอนอะไรไม่ได้จิตใจถ้ายังวันไหวในเรื่องเหล่านี้ก็ยังตกอยู่ในโลกกระทำไม่มีวันที่จะพ้นไปจากโลกกระทำไม่มีวันที่จะเย็นสงบได้เพราะเรื่องเหล่านี้มันกระทบอยู่เรื่อ ย, เ, อยเหมือนกันกับหน้ามัมนกับเพื่อนเราจะมองดูเงาหน้าของเราให้ชัดเจนยา นี่ผู้ประพฤติปฏิบัติอาจทำจริงจังนั้นท่านจะต้องทิ่นี้พิจารณาเรื่องอะไรไปให้เข้าใจตามเป็นจริงทำสรรเสริญก็ดีทำนินทาก็ดีจริงเหล่านั้นเป็นลมปากของเขาเขาพอใจเขาก็สรรเสริญให้เขาไม่พอใจเขาก็นินทาไปราบก็ดียศก็ดีมันเป็นของไม่จริงอย่างยืนเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป หรือเจริญไปก่อเจริญไปถึงแชกนั่นแหละเดี๋ยวมันก็พังข้อมันไปเองถึงจุดอิ่มแล้วมันก็ลงเองแตกสลายเองหมดตัวข้อมันไปเองท่านในที่นี้ที่เจริานเป็นความสามารถของท่านจนจิตใจปล่อยวางละถอนสิ่งเหล่านั้นตกขาดออกไปเพราะการเจริญมรรคทั้งแปดั้งเจริสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโป มาร์คแปโลกกระทำแปดเป็นโสักษายจิตคือจิตสิบหกสุทธิผ่านพ้นที่เจรนาตนคงตนเห็นสิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลาดถอนท่านจริงถือว่าวูซิตังปรมาจจะได้ยังคือเจ็ดจิตที่จะละจะบำเพ็ญทางใจเขาจะพูดอย่างไรจะตามนินินทาก่อตามสั้นไลเสินว่อตามจิตของท่านคงเป็นคงวา ไม่ได้บ้าบอไปตามคำสันเละเสรญเยินย อ, ยอหรือเสียจิตเสียใจไปตามคำตำหนิยินทาของเขามีพูดถึงเรื่องนอกออกไปจากตัวเรื่องของตัวเองเล่าถ้าหากฝึกจิตอบรมใจถึงที่รู้อาจเห็นธรรมจริงจังก็ทำนองเดียวกันตามป่วยไข้ได้ป่วยทุกโทษต่างๆที่เกิดขึ้นากับกาย ท่านก็ไม่เสียใจอะไรเพราะท่านไม่ได้บอกให้เขาเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นของมันเองมันเกิดขึ้นได้มันไม่หายเวลาเป็นมันก็หายเวลาตายอยู่ไปอยู่คอยวันตายไม่ใช่อยู่เพื่ออันอื่นใครเล่าจะหนีความตายไปได้มันตายเร็วกว่าดีจะไม่ได้ทนทุกข์ทรมานต่อไปสิงที่เราต้องการเราอยากได้สิ่งที่เนื้อโลกเนื้อสงสาร จริงสพระพุทธเจ้าอริยะเจ้าเห็นรู้อย่างไรเราเห็นเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วจึงไม่มีการเสียใจในการป่วยไข้ไม่มีการเสียใจในการล่มหายตายไปจะยังอยู่ก็ไม่ได้เสียใจจะตายไปก็ไม่ได้เสียใจนี่คือทางสรรเสริญก็ดีทางทาก็ดี ของจิตผู้พ้นไปจากอาสวะจิเลศนั้นไม่มีไม่ติดไม่คล้องทั้งดีทั้งชั่วไม่อยู่ในวงขคกสมุดที่พวกเราทั้งหลายติดกันนี่คือการฝึกจิตอบรมใจเบื้องต้นก่อนเหมือนกันกับพวกเรามันก็ถูกบ้างผิดบ้างไปเป็นธรรมดาแต่ทำไปเลเรื่อยศึกษาไปเลยรื่อยอะไรมันดีชั่วผิดถูกเข้าใจไป จนเห็นชัดเจนภายในว่าอันนั้นมันผิดอันนี้มันถูกจนจิตใจรู้ทั่วเราไม่ ย, ยึดดีชั่วต่างๆคือจิตพ้นไปจากเรื่องของโลกของสงสารไม่เหมือนจิตที่สงบรวมธรรมดาไม่เหมือนจิตที่มีปัญญาอิปัจสนาญาเพราะทางเหล่านี้ เพื่อปฏิบัติต้องผ่านต้องเห็นมาก่อนเมื่อมันพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้คืออะไรนั้นจึงไม่มีปัญหาว่าความสงบของจิตความละเอียดของจิตกับความบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่อันเดียวกันเป็นคนละอย่างจึงไม่มีทางที่จะสงสัยไม่มีทางจะศึกษาเพราะรู้เพราะเข้าใจจากตัวข้องตัวจิตเคยเห็นเคยเป็น เคยแก่ทำบำเพ็ญมาทำไมเป็นอย่างนั้นความสงสัยในใจแจกไขไม่ตกทั้งทั้งสิ่ง น, นั้นให้ทุกข์ให้โทษไม่ชอบเบือหน้ายแต่บางบางบางเวลามันก็เกิดชอบเกิดยินดีขึ้นนี่คือจิตที่อยู่ในวงของวัฏจะกิละยังไม่ขาดถอนไม่ยังไม่ออก จากจิตจากใจมันเป็นอย่างนั้นเยอะกว่าชอบเยอะกว่าช่งเยอะกว่ายินดีเยอะกว่ายินร้ายเยอะกว่าเกิดเยอะกว่าตายจิตของวกเราท่านมันเป็นอยู่อย่างนี้มันไหนมีเรื่องอื่นหรอกที่มาหลอกมันก็อารมณ์ของมันแหละหลอกมันเองทําให้เชื่อให้หลงให้ติดให้คล้อง พรใหม่สำราษฎร์สางเอาจริงเอาจริงสำาษฎราสางจะจับตัวของมันได้พอมันเคยโกโหกพกลมมาอันนี้มันเกิดขึ้นมาทําความยินดีเด่อมสายเต็มใจวันนี้ส ง, งบละเอียดพิจารณาอะไรปลอดโก่งไปหมดเย็นสบายไม่มียเดเตันหาหน่าไหนจะเข้ามารบกวนใจรู้สึกสบายมากแต่วันหลังมา เขไม่ได้อย่างเต่าทำไม่ได้อย่างเต่าเสื่อมไปแล้วเสียไปแล้วเดือดร้อนวุ่นวายอยากให้เสียงนั้นมันเป็นมันเห็นมันรู้อีกแต่มันไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้มันก็เลยเสียใจขึ้นนี่คือการจะทำบอมเพนมันเป็นอย่างนั้นมันเห็นมันรู้มีชั่วผิดถูกต่างๆประดุความไม่เคยหรือเคยบ้างแล้วแต่มันยังไม่ถวดถึงของมันมันก็ต้องคิดค้อง ใครเล่าไม่ชอบใจในของดีคนธรรมดาสามัญชนชอบความสงบความเย็นคองใจความละเอียดคองใจความปลอดภัยปล่อยวางสัญญาอารมณ์ใครก็ชอบใครก็ยินดีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเรือร้อนต่างๆใครก็ยินดีแต่มันก็มีอยู่ในตัวของเรามันเคยเกิดขึ้น เปนขึ้นทั้งทางดีทั้งชั่วเคยไปสบพบมาแล้วจึงทราบทั้งสองเงื่อนดีกว่าตามชั่ว